พระธรรมเทศนาแผ่นที่85าลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่30ทธันวาคม2558มีชื่อเรื่องว่าอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้ เมื่อวานชนีร้องนะลูกหลานเนะวันนี้ก็เลยหนาวขึ้นมาอีกวันก่อนก็ร้องเมื่อวานก็ร้องเมื่อวานวันนี้มันประกาศแล้วมันบอกว่าจะหนาวนะมันก็เลยฟังผลฟังฟังผลงานของมันมันเลยไม่ร้องวันนี้ <laughs> วันนี้ก็หนาวกว่าเมื่อวานหนาวแต่ว่าจะว่าไปแล้วกับหลวงพ่อว่าพอดีพอดีนะ พอดีพดีถามพระเขาบอกว่าลงเท่าไหร่เมื่อเช้าเนี่ยลงสิบแปดนะสิบแปดองศาเมื่อเช้าเนี่ยในวัดตอาไม่ถึงขนา ؤ แต่เย็นปิดปกติจักหน่อยถ้าห้องแอร์เราจัดเราก็เตรียมไว้สิบ้าใช่ไหมถ้าจะให้มันเย็นจักหน่อยก 22, ็ยี่สิบสองฮะอันนี้สิบปดก็ลงมาหน่อยนึงแล้วก็พระ วันนี้พระออกไปฉันข้างนอกห้ารูปไปโรงเรียนเขานิมนต์แต่ตามไม่จริงพระที่ไปฉันในที่นิมนต์หลวงพ่อไม่อยากจะให้ไปนะไม่ใช่ปฏิปทาแนวปฏิปทาขององค์หลวงตาแ่พระทุกองค์ให้รับทราบเอาไว้ที่พวกเรามานั่งด้วยกันทั้งทุกคนใครบัางนิมนต์พระวัดหลวงตาไปฉันที่บ้านบัาง มีไหมหลวงพ่อบอกได้เลยเมืองอุดรทั้งเมืองอุดรน่ะนะเขาก็อยากจะได้พระวัดป่าบ้านตาทั้งนั้นแ่ะแต่หลวงตาไม่ให้หลวงตาไปทำไมพระออกนอกวัดบ่อยๆไม่ไม่เป็นผลดีองค์ที่ได้มากนันองค์นั่นได้ไปบ้านคนรวยองค์นี้นได้ไปบ้านคนจนเอาไปมากมาทะเลาะกันในวัดมานับห้านับสิบอยู่ในวัดเนี่ ทำมาอย่างนั้นมาทำไมมาอยู่เพื่ออะไรหนีไปหาออกั้านนอกกันจะามาอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ต้องปฏิบัติธรรมศรัทธาญาติโยมใครมีศรัทธาอยากจะทำบุญนี่พระในวัดของเราเต็มอยู่แล้วไม่รู้จักเรื่อวัดเอามาจังหันเเอามาถวายพระให้แต่ฉันทั่วหน้ากันยิ่งเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่อีกต่างหาก นไปทําอะไรอมสมเอ็มแซมยานะวัดของเราไม่มีอันนี้คือปฏิปทาขององค์หลวงตาพวกเราฟังเอาไว้นะกนัตถาญ า, า, าติโยมลูกหลานทุกคนถ้านนี้บนพระวัดป่านาคําน้อยไม่ได้พวกเราไม่ต้องเสียใจเพราะเล่าจ็ดแนวปฏิปทาขององค์หลวงตาหลวงตาพูดอย่างเนี้ยที่พูดมาเนะี่ยมีเหตุผลไหม มีเหตุผลของท่านคือท่านรักท่านรักษาพระของท่านแหมพระของท่านคือแล้วกันอย่างหลวงพ่ออินเนี่ยพระของท่านเหมือนกันอจากนั้นหลวงพ่อก็ต้องดูแลของพระของหลวงพ่ออีกเหมือนกันอไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วมาแสวงหาราบแต่สมัยเป็นฆราวาสขี้เกียจหาเงินอพอมาเป็นพระแล้วท่านน่ะ เก็บผ้าเก็บสิบทั้งที่มันจะมาหาธรรมมันไปหากิเลสมันถูกต้องไหมอย่างนั้นมันเป็นมักเป็นทางมักผลนิพพานไหมอย่างนั้นเป็นแนวแถวปฏิปทาของพุทธะไหมอย่างนั้นเป็นแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไหมอย่างนั้นสมัยเมื่อเป็นพระเมื่อเป็นฆราวาส <c oughs> ขี้เกียจยิ่งกว่าอะไรโง่อีกต่างหาก พอเขามาเป็นพระคนะี่ยขีงกมีอะไรไม่ตรเก็บหมดผลที่สุดตาเข้าแห้งขายอีกต่างหากมันไม่ใช่วัดวาศาสานาไม่ใช่ตาเข้าแห้งขายนะไม่ใช่งงโง่งงนะต้องอยู่ในกรอบของคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีนะวันนี้เป็นวันที่สามสิบธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด วันนี้ก็จวนเต็มทนที่เป็นวันงานปีใหม่ปีใหม่สากลคือวันที่หนึ่งมกราวันนี้เป็นวันที่สามสิบธันวาธันวาสามสิบสาสบอ็ดแล้วก็วันที่หนึ่งไม่กี่วันก็เป็นวันปีใหม่ของพวกเรา เพราะนั้นให้พวกเราทบทวนดูอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวหลายครั้งว่าปี2558ห้าสิบดที่ผ่านมานเรามีอะไรบ้างที่ขาดตกปกพ่องในแนวความคิดของเราคิดออกนอกลูก่นอกทางคิดในทางที่ไม่ถูกต้องคิดในทางที่ถูกต้องทำในทางที่ไม่ถูกต้องทำในทางที่ถูกต้องพูด ในทางที่ไม่ถูกต้องพูดในทางที่ถูกต้องมันมีสองนะมันมีสองนะเออถูกกับผิดนะแต่อันไหนมากกว่ากันไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราท่านทั้งหลายเองพวกเราท่านทั้งหลายนะ่ะรู้แก่ใจว่ า, เ, าเราทำยังไงในสองเงื่อนผิดกับถูกอันไหนมากกว่ากันอันนี้ให้พวกเราทบทวนปิดงบดูสิว่าปีที่แล้วมาเนี่ย มันชั่วกับมันดีอันไหนอันไหนมากกว่ากันถ้าหาว่ามันชั่วมากกว่าพวกเราก็ควรจะปี2559ห้าาข้าพเจ้าจะทำให้ดีความดีงอกยาวกว่าความชั่วนะอันนี้แปลว่าเป็นผู้ตั้งมัน่นเป็นผู้ตั้งความตั้งความไว้ในใจตั้งความปรารถนาไว้ในใจแต่เมื่อวานก็มีพระคูบา มาจากวัดบวรหกองมากลับพึ่งกลับไปเมื่อวานอันนี้ก็คือท่านบวชเข้ามาเป็นลูกผู้ใหญ่ที่ท่านเข้ามาบวชก็ดีหลวงพ่อว่านะแต่ว่าก่อนที่จะมาบวชในพระพุทธศาสนานะควรจะศึกษาให้เป็นพื้นฐานซะก่อนก็ดีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจับจูเข้ามาบวชเลย พอ ม, มาบวชมาอยู่ในวัดกข้ามาจะมานั่งกลัวผีอยู่เนี่ยกลัว <c oughs> ความมืดอีกต่างหากอ่าเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้ฝึกมาก่อนแต่จะพระมาจากวัดบวรก็ดีนะอ่าเพราะว่าพอบวชเข้ามาแล้วท่านให้เรียนซะก่อน เ, อเรียนวิธีการอนุศาสตร์เป็นเบื้องต้นซะก่อนอนุสาสตร์แปดอย่างนิสัยสี่กิจที่ควรทําอ่า แล้วก็กิจที่ไม่ควรทำมีอะไรบ้างแล้วกว็วินัยเบื้องต้นมีอะไรบ้างสาระในพระไตราสาระคมมีอะไรบ้างในเมื่อเป็นพุทธมามะกะพุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในเมื่อออกไปเป็นฆราวานท่านสอนเป็นพื้นฐาน ประมาณเจ็ดวันหรือสิบห้าวันหลวงพ่อก็จำไม่ผิดนะจำ ไ, ไ, ไม่ได้จากนั้นท่านจึงปล่อยออกมาออกมาอยู่ตามวัดอย่างมาเข้ามาหาหลวงพ่อนะเอพอมาหลวลงพ่อก็ต่อเติมเรื่องเรื่องจิตตะพกจิตตภาวนาเรื่องภาวนาจะทําจิตใจยังไง อ, อทําใจยังไงไมาอยู่วัดป่าหนะลวงพ่อก็แนะนําเป็นพื้นฐานอีกเหมือนกันเข้ามาอยู่ป่าควรปฏิบัติตนอย่างไรม ทำสมาธิอย่างไรปัญญาอย่างไรอันนี้หลวงพ่อก็สอนอีกสอนกระทํางเมื่อออกไปเป็นคราวะญาติโยมใหใ้ใช้ปัญญาให้รู้จักกาละเทศาการสถานที่บุคคลแต่ยังไม่ใช่จังหวะของตนหัดเป็นคนโง่ไว้ก่อนหัดให้เป็นคนโง่แต่ฉลาดอยู่ในใจฉลาดแล้วล่ะ แต่ยังไม่ใช่โอกาสไม่ใช่ว่าไปที่ไหนก็พร่มพรามไปเรื่อยอวดว่าตัวเองฉลาดผลที่สุดนะคืออท์อวดความโง่ของตนเองบางคนก็มีนะพระเวลานั่งประชุมกันเนี่ยนะพูดไม่รู้จักจบเอาเอาไม้ไปจ่อสจแสดงความคิดเห็นสิเอามือปัดไม้จักให้เร็วเออ เวลาไม่เวลาไม่อยากจะให้พูดอยากจะพูดอสแสดงความคิดเห็นจนหมูลำคานเวลาจะเอาเป็นพูดเป็นจิตจะลักษณะนะพูดไม่เป็นไม่รู้จะขึ้นต้นเอเดินไปยังไงวิธีการพูดนนั่นแหละบอกยี่ห้อความโง่ของตนเองทั้งหมดเนี่ยโลกเมืองไทยของเราลักษณะอย่างนั้นเดี๋ยวนี้นะเอเมืองไทยของเรา ในเมื่อเขาคนหนึ่งเขาขึ้นไปบนเวทีพวกเรามีหน้าที่ฟังดูวิธีการเขาทําเอเป็นยังไงไปในทางที่ถูกต้องไหมถ้าไม่ทางไม่ถูกต้องเราก็พร้อมที่จะเรียกคนนั้นลงมาถามได้ว่าคุณพูดอย่างนั้นทําอย่างนั้นมีเหตุผลอะไรมันมันน่าจะพูดได้ถามได้นะเอแต่ไม่ต้องไม่ต้องก่อมบออไปถามเขาหรอก อมันมีวิธีการถามอยูน่นะถ้าฉลาดนะอแต่เมื่อเขาทําผิดเราก็รู้ว่ามันผิดมันผิดจะทํายังไงก็ต้องหาวิธีการแก้ไขเพราะประเทศชาติบ้านเมืองไม่ใช่ของผูหนึ่งผู้ใดอันนี้มันเป็นไม่เป็นอย่างนั้นน่ะเมืองไทยของเราใครใครๆก็อวดฉลาดออวดอวดฉลาดนั่นแหะคืออวดโง่อวดโงอ่ะอะวดอวดโง่ตัวเองคอ่อมันทํำไมใช่มันแค่อวดฉลาดนะ ถ้าอวดฉลาดมันต้องอยู่ในรู้จักจังหวะควรจะพูดยังไงในการเทศาการสถานที่อย่างนี้อย่างนี้ อ, อย่างหลวงพ่อสมัยก่อนลูกหลานเคยเห็นไหมการที่จะพูดจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรหลวงพ่อระมัดระวังในคำพูดเพราะองค์หลวงตายอย่างอยู่ถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าหลวงพ่อพูดไปแสดงความคิดเห็นออกไปเขาจับแนวความคิดหลวงพ่อปไป กาเปลี่ยนองหลวงตาเนี่ยหลวงตาหลวงพ่อก็หวัดเหมือนกันกลัวท่านจะขมเณรแต่บัดนี้ลูกตาจุตินิพพานไปแล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องแสดงความคิดเห็นจะไปอมลิ้นอยู่ทําไมนีมันเป็นโอกาสมันเป็นกังหวะถ้าเราไม่พูดส่วนนี้จะเสียหายต่างหากเพราะอะไรเพราะมันมาถึงยุคของเรามันมาถึงยุคของเราที่จะต้องแสดงความคิดเห็นแล้วท่นนี่ มันเป็นใครนอกจากเราไปแล้วมีองค์ไหนบ้างใอ่แต่เราแสดงความคิดเห็นมันผิดที่ตรงไหนเราก็ประกาศเีกเหมือนกันประกาศออกเลยว่าที่หลวงพ่ออินพูดออกไปนี่นมันไม่เป็นศีลเป็นธรรมมีตรงไหนลูกหลานคณะสัทธาญาิโจมหรือครูบาอาจารย์ทั้งฝ่ายปริยัตก็ดีทั้งฝ่ายปฏิบัติก็ดีถ้าหลวงพ่อพูดออกไปตรงไหน ไม่เป็นศีลเป็นธรรมบอกเนอะหลวงพ่อที่จะพร้อมพูดจะปรับพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขในมิตรสาธิฐิตรงนั้นที่มันไม่ถูกต้องตรงนั้นะแต่หลวงพ่อมั่นใจในการแสดงออกด้วยการบอกกล่าวให้กับคณะสัตายาติโยลูกลาดเอาศีลเอาธรรมมาสอดมาบอกมีหลักอ้างอิงแล้วก็วิธีการประพฤติปฏิบัติทำตนอย่างไร จึงจะถูกต้องจึงจะเหมาะสมจึงจะเป็นธรรมในหลักพระธรรมวินยัยว่ายังไงได้ศึกษามาอย่างไรได้ปฏิบัติมาอย่างไรได้เรียนรู้จากตำรับตาราโบราณมาอย่างไรได้มีประสบการณ์อย่างไรหลวงพ่อเขเอาแนวความคิดที่ได้พบสิ่งเหล่านั้นมาบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนให้กับลูกกับหลานให้ไดยินไดฟัง การขอให้พวกเราทุกทกท่านนะ เ, ออเดี๋ยวนี้มันคําพูดของหลวงพ่อฟังฟังทูกหนาหูไปเรื่อยๆเหมือนกัน อ, อนู่นออกไปต่างประเทศอีกต่างหากอลวงพอ่อเ อ, อ๊ะมันไปได้ยังไงมันไปได้ไกลขนาดนั้นนะลูกหลานโอ้ไกลหลวงพอ่อนี่ อ, อทั่วโลกเลยเดี๋ยวเนี้ยออที่คําพูดหลวงพ่ออยู่ขณะพูดอยู่เดี๋ยวเนี้ออ่ถ้าเขาจะออกไปนะถ้าเขาอยากจะฟังนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงออกล่าวเตือนย้ํา ลูกหลานผู้ได้ยินได้ฟังเสียงหลวงพ่อนะ่ถึงจะเป็นอยู่นสถานที่ใดถ้าลูกหลานเป็นคนดีก็เหมือนกับอยู่ใกล้หลวงพ่อนะเพราะหลวงพ่อเนี่ยต้องการคุณงามความดีเท่านั้นอยากจะให้ลูกหลานโลกทั้งโลกเป็นคนดีผู้ได้ยินเสียงหลวงพ่อเนะี่ขอให้ลูกหลานทุกคนตรวจตรา ด, ดูตนเองให้เป็นคนดีคิดดีทาดีพูดดีที่หลวงพ่อย้ำไว้อยู่เสมอ ถ้าลูกลูกหลานคิดดีทำดีพูดดีแล้วก็หมั่นขยันความหมั่นความขยันแล้วก็ใช้ปัญญาด้วยไม่ใช่หมั่นขยันถ้าหมั่นขยันโง่แล้วก็เสียหายมากอีกต่างหากถ้าหากว่าคนโง่ขยันยิ่งทาเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียหายถ้าใช้ปัญญาคนที่มีปัญญาแล้วก็ขยันย่อมหาทรัพย์ได้หาอะไรก็หาได้เพราะคนมีปัญญามีปัญญาให้เข า, ารอบคอบ ในเรื่องนั้นๆจากนั้นก็ขยันทำมาหาเลี้ยงชีพนั่นแหละคนที่มีปัญญาและขยันยอมหาทับได้ยอมหาทำได้ยอมหาอะไรก็ได้ทั้งหมดาหาความชั่วก็ได้อีกต่างหากไม่ใช่แต่หาได้แต่ความดีนะ เ, เพราะคนฉลาดนะหาดีก็ได้หาชั่วก็ได้เว่าตัวเองฉลาดนะเพือที่เพื่ๆๆนะพอเขาจับได้ ทำไมหมดท่าเลยเนี่ยนะเพราะตัวเองว่าคิดว่าตัวเองฉลาดไปขายยาบ้าเนี่ยตัวเองฉลาดที่ไหนได้พอเขาจับได้ขึ้นมาหมดท่าเลยเอาความโง่เอาความฉลาดตัวเองเอาไปใช้ในทางที่ผิดเพราะนั้นผู้อยู่ในมุมโลกใดก็าตามนะถ้าว่าผู้ใดประกอบคุณงามควรเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติ พี่น้องของหลวงพ่อทั้งหมดวิสาสะประมาญาติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนี่แหละคือแคว่าผู้ที่คุ้นเคยก็ดเีเป็นผู้มุ่งมั่นในอิในศีลในธรรมก็ดีมุ่งเป็นผู้มุ่งมั่นประกอบคุณงามความดีในตัวเองก็ดีนั่นแหละเพิเ่งจะอยู่ดูได เกาะโลกขอบโลกไหนก็ตามนะเหมือนอยู่ใกล้หลวงพอ่อแต่ถ้าว่าผู้ใดก็ตามเทออี่อยู่ติดกับหลวงพ่อก็ตามแต่ประกอบแต่คุณประกอบแต่ความชั่วคิดชั่วทําชั่วมีแต่เรื่องทะเลาะปีวาทมีแต่หาเรื่องเ อ, อไม่อยู่ในศีลในธรรมถึงจะเกาะขาหลวงพ่ออยู่เถอะอยู่คนละโลกกันอยู่ห่างไกลกันเพราะอะไรเพราะแนวความคิดมันต่างมันแตกแตกต่างกัน เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆุกท่านนะอถึงจะอยู่ไกลจากหลวงพ่อก็ก็ตามไ ด, ด้ยินเสียงหลวงพ่อบอกกล่าว น, ะนั่นแหละคือญาติโกโหติก า, เ, าเป็นลูกหลานญาติสนิทมิตรสหายของหลวงพ่อทั้งหมดอแต่ถ้าว่าผู้ใดอทําความชั่วแล้วถึงจะมาอยู่ใกล้ก็คืออยู่ไกลเพราะนั้นขอบอกกล่าวให้กับลูกหลานทุกคนนะปีใหม่ปีนี้นะหลวงพ่ออาอนวยอวยพร ให้กับทุกคนที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อที่ได้ฟังเสียงหลวงพ่อนะขอให้ด้วยอํานาจคุณพระศรีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกอนุภาพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงปู่ที่หลวงพ่อให้ความรักเคารพนับถือเลื่อมใสและก็ด้วยบุญบารมีของหลวงพ่อที่ได้บําเพ็ญมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน คุณงามความดีใดก็าตามขอให้คุ้มครองลูกหลานทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจและก็ปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมข อ, ขอให้ลูกหลานทุกคนญาติสนิทมิตรสหายของหลวงพ่อทุกองจงประสบแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจตลอดไปและก็ดวงตาเห็นธรรมในที่สุดนะอ่า